วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสองมีนาคมพุทธศักราชสอง8้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัตยมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดผ้ามะเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใจของตนธรรมะวันนี้เรื่องที่เราจะมาฟังกันก็คือเรื่องส่วนประกอบของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาของเรานี้มีส่วนประกอบที่สาคัญนั้น กี่ส่วนด้วยกันส่วนประกอบที่สำคัญหรือส่วนประกอบที่ใหญ่ก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งมีวัดวาอารามถาวลวัตถุต่างๆสองมีพระรัตนาตรัยคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่จะให้ความรู้ให้คำสั่งสอน เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปส<ม>่วนประกอบสองส่วนนี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับผลไ ม, ม้ผลไม้ก็มีอยู่สองส่วนด้วยกัน<ม>ก็คือมีเปลือกกับมีเนื้อ<ม>ถ้าเราจะเปรียบเทียบ พระพุทธศาสนาเปลือกของพระพุทธศาสนาก็คือวัดวาอารามท่าวัตวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์เจดีศาลากุฏิวิหารหรือพระพุทธรูปต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเปลือกของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสาระสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนประกอบ ที่สนับสนุนให้มีพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้ใช้พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ความรู้แก่สาธุชนผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ฐ mm hmm. านวัตถุจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญของพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อของพระาศาสนาเป็นสิ่งที่จะให้ประโยชน์สุขต่อผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนาเหมือนกับผลไม้ เราไม่กินเปลือกเราจะกินเนื้อกันเวลาเราจะกินทุเรียนนี่เราต้องปอกเปลือกออกก่อนแล้วเข้าไปหยิบเอาทุเรียนมากินแต่เปลือกทุเรียนก็มีความสำคัญอยู่ตรงที่คอยปกป้องรักษาเนื้อทุเรียนให้อยู่อย่างปลอดภัยแต่เราต้องอย่าลืมประเด็นสำคัญว่าเรากินผ ล, ลไม้เรากินเนื้อของผ ล, ลไม้ เราไม่ได้กินเปลือกของผลไม้ฉันใดเราก็หาพระพุทธศาสนานี้ก็เราก็เข้าหาเนื้อของพระพุทธศาสนาเพราะเนื้อของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่จะให้สาระประโยชน์กับเราสามารถสอนให้เราปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พจอารามนี้ก็เป็นส่วนประกอบ เป็นสถานที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติแต่ถ้าไม่มีวิวัดวารามก็ยังสามารถศึกษาและปฏิบัติได้าอาจจะปฏิบัติที่บ้านเราก็ได้หรือเราอาจจะไปหาที่สงบสงัดวิเวกที่ไหนก็ได้เป็นที่ปฏิบัติในสมัยพระพุทธกาลนั้นสมัยที่พระพุทธเจ้าเย ทรงบำเพ็ญพระพุทธเจ้าก็ไม่มีวัดว า, ารามเป็นสถานที่อยู่ทรงอยู่แบบพระธุดงก็ยอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามสถานที่วิเวกสงบห่างไกลจากเครื่องยั่วยวนใจต่างๆเช่นแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นลดผดสะพานที่จะมาคอยบครบกวน ในการเจริญธรรมเพื่อให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆวัดวารามจึงเป็นสิ่งที่มาทีหลังหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุวแล้วแล้วได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกก็มีผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติตาม และได้หลุดพ้นกันเป็นจํานวนมากหลังจากหลุดพ้นก็ขอบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุของพระพุทธศาสนาเมื่อมีพระภิกษุมีจํานวนมากก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องมีที่ว่อาศัยจึงเกิดการสร้างวัดวาอารามต่างๆขึ้นมาเป็นสถานที่อยู่ที่ปฏิบัติธรรม ที่ศึกษาธรรมเพื่อวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์<ม>นี่คือประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจเพราะสมัยนี้คนเราอาจจะไปหลงคิดว่าประเด็นสำคัญนี้อยู่ที่วัดวาอารามกันยิ่ทุ่มเทเข้าของเงินทองเพื่อสร้างวัดวาอารามกัน เพื่อให้เป็นที่ไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีในวัดแต่ไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องของการเข้าหาพระรัตนตรยัยคือการศึกษาและการปฏิบัติวัดวาอารามสมัยนี้นอกจากสร้างไว้เพื่อดึงให้คนเข้าไปเที่ยวกันได้มากกว่า กายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีวัดที่สร้างอะไรต่างๆวิจิตพิสดารขึ้นมามากมายพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของโลกก็ตามรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ต่างๆพญานกพญานาคอะไรต่างๆเต็มไปหมดอย่างนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปและก็เป็นความเข้าใจของคนที่ไปว่านี่แหละคือพระพุทธศาสนา ถ้าไปวัดแบบนี้ก็ได้แต่การไปถ่ายภาพการไปเที่ยวดูภาพต่างๆดูความสวยสดงดงามของสถานที่แต่ไม่ได้อารประโยชน์อะไรเกี่ยวกับการทำใจให้พ้นจากความทุกข์ได้เลยนี่คือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในสมัยนี้รู้สึกว่าจะ สัสาาตยาดยมชาวพุทธเราก็หลงเชื่อกันว่าจะต้องช่วยกันสร้างวัดให้ใหญ่โตให้สวยงามให้เป็นสถานที่1ึงคนเข้าวัดแต่ไม่ได้ดึงคนเข้าวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรม1ึงคนเข้าวัดเพื่อมาเที่ยวกันมาชมสถานที่กัน นี่แหละคือเรื่องที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระพุทธศาสนานั้นจะให้คุณให้ประโยชน์กับเรานั้นเราต้องเข้าหาพระพระรัตนตรยัยเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่จะสอนผู้ที่จะบอกวิธีการปฏิบัติให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ใช่ไปกราบไหว้ตาม สถานที่ต่างๆกาบไหว้พระเจดีย์บ้างการไหว้พระพุทธรูปบ้างการกราบไหว้สถานที่เหล่านี้ไม่ได้ทําให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่อย่างใดประโยชน์ที่ได้จากการไปกราบนี้มีน้อยมากอาจจะมีในการให้มีศรัทธาความเชื่อในพระศาสนาเท่านั้นเองแต่ถ้าเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบ มันได้ทำตามคำสั่งทางสอนกล่าบว่าเชื่อว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปเชื่องมงายแบบว่าถ้าอยากได้อะไรต้องการอะไรก็ขอได้ให้กราบว่ากราบพระกราบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้งานก็ไปของานเป็นโลกมะเร็งอยากหายจากโรคมะเร็งก็ไปกราบขอพร ขออะไรทุกชนิดตามที่อยากจะขอเล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้ขออะไรทั้งสิ้นจากใครพระพุทธศาสนาสอนให้ศึกษาให้ปฏิบัติศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเมืม่อปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วการมรรูุถึงผลของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆจนในจนถึงระดับที่สูงสุดคือหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้จําเป็นต้องเข้าหา เนื้อของพระศาสนาคือเข้าหาพระรัตนตรัยเข้าหาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองแบบพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนคนที่ยังมีกิเลสกับพระสงฆ์ที่เป็นคนที่สิ้นกิเลสหมดกิเลสพระสงฆ์ที่เราต้องเข้าหานั้นต้องเข้าหาพระสงฆ์ที่เป็นผู้สิ้นกิเลส หรือเป็นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพานคือพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอหรหันต์นี่คือบุคคลหรือพระอริยสงสาวกที่เราจะต้องเข้าหาเพื่อศึกษาเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ท่านก็ทิ้งมรดกอันน้ำค่าไว้ให้กับพวกเราแทนทำหน้าที่แทนพระองค์ก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกจดจำกันเอาไว้และเก็บไว้ในพระธรมภีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์เบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎก ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกถ้าได้พระอริยสงฆ์สาวกมาสั่งมาสอนะสัมคาสั่งคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็จะได้ความรู้ที่ที่แม่นยำที่ถูกต้องทุกประการแต่ถ้าไปศึกษากับพระสงฆ์ที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล น, นี้ ความรู้ที่ท่านได้ศึกษาจากก็ไตเบดกนี้ยังไม่เป็นความรู้ที่แม่นยำไม่เป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่ายังไม่ได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัตินั่นเอง<ม>ว่าสามารถนํามาไปดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้<ม>ถ้าไปศึกษากับพระที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ ก็โอกาสที่จะเรียนรู้ธรรมที่เป็นธรรมะปลอมก็ได้คือธรรมะที่ยังไม่สามารถที่จะนําเอาไปกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าหาสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาและอนุรักษ์ก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ส่วนวัดวารามสถานที่ปฏิบัติเราก็สร้างพอสมเหตุสมผลก็พอส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องสร้างอะไรมากมายนอกจากกุฏิที่อยู่อาศัยของพระภิกษุและของผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเจดีย์อันใหญ่โตสร้างวิหารสร้างอะไรต่างๆเต็มไปหมด สถานที่ปฏิบัติตามนี้มักจะเป็นวัดป่าเป็นส่วนใหญ่เป็นวัดป่าวัดเขาวัดที่เรียบง่ายทางด้านวัตถุสร้างเพียงแต่สิ่งที่จำเป็นเพื่อเอามาใช้ประโยชน์เท่านั้นเองเช่นวัดป่าส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ศาลาแล้วก็มีกุฏิให้พระภิกษุได้อยู่ปฏิบัติส่วนหนึ่งแล้วก็มีกุฏิที่พักให้ศรัทธายาโญไว้อยู่อีกส่วนหนึ่ง เท่านั้นแ่ะพอแล้วสำหรับเรื่องท้าวละวัตุเพราะวัดป่านี้จะไม่เน้นเรื่องพิธีกรรมต่างๆพิธีบวชบวชพระก็จะไม่มีในวัดป่าถ้าอยากจะบวชก็ไปบวชวัดตามวัดบ้านวัดในเมืองที่เขาทำพิธีบวชพระเป็นประจำเพราะการบวชตรืการทำพิธีบวชนี้มักจะมีคนเข้ามาในวัดเป็นจำนวนมาก และมาสร้างเสียงหรือกระทืบคึกโคมมาสร้างความาไม่สงบให้กับสถานที่ปฏิบัติก็สามารถทําก็จะทําให้ผู้ที่อยู่ปฏิบัตินั้น เ, เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้วัดป่าวัดป่ า, ว, ปาวัดปฏิบัติจริงมากจะไม่มีพิธีกรรมอะไรต่างๆเป็นที่ให้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียว ส่วนเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆนี้ก็จะไม่ทํากันบางวัดแม้กระทั่งพิธีรับผ้ากระถินก็ไม่รับก็มีผ้ากระถินผ้าป่าหรืออะไรทั้งสิน้นถ้าใครอยากจะถวายข้าวถวายของก็ถวายได้แต่ไม่มีการทําพิธีอะไรต่างๆอยากจะถวายผ้าก็ไปถวายที่วัดก็จบไม่ต้องมากําหนดวัน เช่นภากถิ่นต้องมีการกำหนดวันที่ต้องมีการบอกศรัทธาญาโยมเพื่อนผงให้มาร่วมทำกันเป็นการดึงคนให้เข้ามามากเข้ามาวัดมากขึ้นในสายตาของศรัทธายาโยมก็คิดว่าดีดึงคนเข้าวัดมันก็ดีแต่ในสายตาของผู้ปฏิบัติธรรมนี้กลับไม่ดีการดึงคนเข้ามาในวัดเยอะๆนี้ มันจะมาทำลายความสงบของสถานที่ของการปฏิบัติสถานที่ปฏิบัตินี้จะมีเวลาเวลาให้คนเข้าออกในวัดได้จะเข้าได้ก็ช่วงเช้าช่วงที่พระกลับมาจากบินสบาทแล้วจะสันอยู่จะฉันอยู่ที่บนศาลาช่วงนั้นถ้าใครอยากจะทำบุญถวายอะไรปัจจุ ป, ปจัยอะไรก็ตาม เช่นถวายอาหารจะมาใส่บาตรที่วัดต่อถวายกับข้าวกับปลาอาหารถวายเครื่องใช้ไม้สอยถวายผ้าจีวรผ้าไตหรือทำอะไรก็ตามมักจะทำในช่วง<ม>ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเดียว<ม>หลังจากที่เสร็จการฉันแล้ว<ม>ตถาญาติโยมก็กลับบ้านกัน<ม>วัดก็ไม่ให้ใครเข้ามาอี<ม>วัดก็จะเก็บปิดประตู เป็นเหมือนเรือนจำที่เขาเปิดให้ญาติพี่น้องเข้ามาเยี่ยมคนที่อยู่ในคุกได้เป็นเวลา<ม> เ, เขาจะกำหนดเวลาเยี่ยมคนที่ติดคุก<ม>นอกเวลานั้นเขาจะไม่ให้มาเยี่ย ม, มอย่างใดสถานที่ปฏิบัติก็คล้ายเรือนจำนี่<ม>คือกักขังไม่ให้ผู้ที่อยู่ปฏิบัติธรรมในวัด น, นี้ออกมาเพ่นพ่าน<ม><ม>เพราะการออกมาเพ่นพ่านนี้มันเป็นการ มาตามอำนาจของกิเลสตัณหาตามอำนาจของกรารมฉันทะความอยากจะเสพรูปเสียงกลธธิ่นรสผลทพัสชนิดต่างๆจึงอยู่ข้างในไม่ได้ต้องออกมาเพ่นพ่านต้องมาหาเรื่องทํากันซึ่งเป็นเป็นวิธีของกิเลสตัณหาที่จะมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้จําเป็นที่จะต้องสํารวมอินทรีย์สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดพภาชนิดต่างๆมาเสกพยายามหนีพยายามอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาเพราะถ้าไปเห็นรูปเสียงก ล, ลิ่นรสเราจะเกิดกิเลส ต, ตัณหาความโลภความอยากจะเสพขึ้นมาก็เป็นเหมือนกับยาติดยาเสกอยากจะเสกยาเสพติดขึ้น ถ้าพอไม่ได้เสกก็จะเกิดความทุกข์ความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้กลายเป็นอุปสรรคในการที่จะทาใจให้สงบเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆนี่ก็คือเรื่องของวัดวารามที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาควรจะเป็นวัดวารามที่สงบเป็นที่ไว้สำหรับให้ผู้ที่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่และได้และไม่มีไม่มีอุปสรรคต่างๆเข้ามาลบกวนใจมาขัดขวางการปฏิบัติดังนั้นกิจอะไรที่ไม่เป็นกิจที่จําเป็น<ม>ก็มัจกจะไม่ไม่เกิดขึ้นในวัดป่าวัดป่านี้จะมีแท้กิจข้าจําเป็นก็ตอนเช้านี้เท่านั้นเองตอนที่หลังกลหลังจากกลับมาจากบิณฑบาต ก็ต้องมาร่วมชันกันที่ศาลาแล้วช่วงนั้นก็เปิดโอกาสให้สาธุชนที่อยากจะทำบุญทำทานอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย<ม>์ก็จะมีโอกาสในช่วงนั้น<ม>หลังจากที่พระหลังจากเอาข้าวเอาของมาถวายให้พระแล้ว<ม>หลังจากพระชันเสร็จแล้ว<ม>พระท่านก็จะไปล้างบาทกันทำอะไรกัน ส่วนครูบาอาจารย์ท่านก็จะสนทนาธรรมกับศรัทธายาโยมให้ธรรมะให้ข้อคิดต่างๆไปปฏิบัติ mm hmm. เท่านั้นละ่ะมีเท่านั้นกิจกรรมทางวัดป่าที่เกี่ยวข้องกับสาธุชนพุทธบริษัท mm hmm. เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยุ่งกับศรัทธาญาโยมแล้วก็ ถ้าไปทำกิจกรรมอะไรในวัดมากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นภาระให้กับวัดให้กับให้กับพระที่อยู่แทนที่จะเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมก็ต้องมาเอาเวลามาจัดใช้กับการจัดการต้อนรับศรัทธาญาติโยมต่างๆยิ่งมามีมากเท่าไหร่ก็ต้องมีการต้อนรับมีการเตรียมข้าวของอะไรต่างๆไว้ต้อนรับศรัทธาญาติโยมมากขึ้น มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของทางโลกไปไม่ใช่เป็นเรื่องของทางธรรมทางธรรมนี้เราเน้นในการศึกษาในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหลังจากที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเราก็จะได้นำเอาความรู้ที่เราได้บรรลุนี้มาสั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจอีกทอดหนึ่งผู้ที่สามารถถ่ายทอด คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดก็คือพระรัตนก็คือพระอริยสงสารุของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านก็สามารถถ่ายทอดทำที่ท่านได้บรรลุถึงในระดับที่ท่านได้รู้ถึงส่วนที่ระดับที่สูงกว่าท่านก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดได้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพระ ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานนี้ถึงแม้ว่าท่านจะบรรลุเป็นพระอริยรสงฆ์สาวกขั้นที่หนึ่งแล้วก็ตามท่านก็ยังไม่หยุดปฏิบัติท่านเองก็ยังไม่หยุดศึกษาเพราะท่านถือว่ายังเรียนไม่จบเหมือนนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีแต่ยังต้องไปโถต่อปเปริญญาโทและปริญญาเอกตามลําดับต่อไปนักศึกษาเหล่านี้เขาก็จะเรียนต่อจบตรีเขาก็ไปต่อโท จบโทรเขาก็ไปตอบปริญญาเอกพอเรียนปริญญาเอกจบแล้วทีนี้ก็ไปเป็นอาจารย์ได้แล้วไปเป็นครูเป็นอาจารย์ไปสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาได้แล้วในช่วงที่ท่านยังเรียนอยู่ในช่วงที่ท่านยังทำปริญญารีโทรเอกอยู่นี่ท่านจะไม่เอาเวลาไปสั่งไปสอนใครท่านจะเอาเวลามาให้กับการสั่งสอนตัวเองศึกษา แล้วก็ทําข้อสอบให้ผ่านให้ได้ก่อนท่<ม>นานใดพระริยะบุคคลส่วนใหญ่ก็เช่นเดียวกันพ<ม>อท่านเป็นพระริยโาโสดาบันแล้วท่านก็จะปฏิบัติขั้นต่อไปขั้นสกิทาคามีขั้นอนนาคามีจนถึงขั้นพระ<ม>อรหันต์พอถึงขั้นพระอรหันต์แล้วทีนี้ท่านก็สามารถที่จะนําเอาธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้ เชนในยุคแรกๆตอนที่พพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใหม่ๆพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมให้กับผู้ที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าคือมีเป็นพวกนักบวชที่มีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ที่มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในฌานขั้นต่างๆได้พอแสดงธรรมที่เป็นปัญญาพอจิตที่มีศีลมีสมาธิรับเข้าไป ก็สามารถนําเอาไปกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ขั้นเพียงแต่แค่ฟังธรรมปับ๊บพอฟังเสร็จก็สามารถบรรลุเป็นพระาอารหันต์กันได้เลยแล้วพอท่านผู้ที่ฟังธรรมที่ได้บรรลุพันพระอรหันต์แล้วก็จะขอบวชกับพระพุทธเจ้าขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะ ทำพิธีบวชแบบง่ายๆว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดเจอเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดท่านนี้ก็ถือว่าบวชเสร็จแล้วไม่เหมือนสมัยนี้เวลาบวชแต่ละครั้งนี้จะต้องมีพิธีกรรมมีขั้นตอนอะไรมากมายแต่ยคที่สมัยบวชกับพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้ า, ารู้ว่าคนที่มาบวชนี้เป็นจิตระดับไหนส่วนใหญ่พวกที่มาบวชแล้วพระพุทธเจ้าบอกจงมาเป็นภิกษุเถินนี้ก็หมายถึงว่าท่านรู้แล้วว่า พวกพวกนี้เป็นพระอารหันต์ทั้งนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีการสั่งการสอนอะไรอีกต่อไป<ม>หลังจากที่บวชให้แล้วท่านก็ทรงบอกว่าให้ไปเอาความรู้อันประเสริฐเอาธรรมอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปโดยที่เน้นว่าอย่าไปในทิศทางเดียวกันให้แยกกันไปคนละทิศคนละทาง เพื่อที่จะได้กระจายความรู้อันประเสริฐนี้ให้กับผู้ที่สนใจได้มากขึ้นนั่นเองถ้าไปไปในที่เดียวกันหลายหลายหลายหายองค์นี่มันก็จะไปกระจกกระจุกตัวอยู่แล้วการแสดงธรรมก็ไม่ต้องแสดงทีกี่องค์แสดงเพียงองค์เดียวก็พอในในต่อในสถานที่อันหนึ่นงฉนั้นก็ควรที่จะกระจายกันออกไปศา ส, สนาจึงจเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการเผยแพร่ธรรมคือตั้งแต่วันเพนเดือนแปดที่เรียกว่าวันอส า, าหาบูชาการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้านี้ปรากฏขึ้นในวันเพนเดือนแปดแล้วต่อจากนั้นมาอีกอีอกเจ็ดเดือนนะกันคือมาวันเพนเดือนสามวันมาฆา บ, บูชา ก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสาวาทิศ ต, ต่างๆโดยที่ไม่ได้ด้านหมายกันก่อนมีจํานวนถึงหนึ่งพัรูปนั่นแหละคิดถึงนั่นแหละคือการเจริญของพระพุทธศาสนาเจริญด้วยการสร้างพระอริยบุคคลขึ้นมาในพระศาสนาเพราะพระอริยบุคคลเท่านั้นที่จะสามารถนําธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ไปเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี้ไม่สามารถทําการเผยแผ่ได้เหมือนกับมีพระสาวกที่มีเป็นจนํานวนมากๆเนี่ยเป้าหมายของพระพุทธเจ้าจึงอยู่ที่การผลิตพระริยสง์สาวกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่ท่านจะตายไปพระพุทธเจ้าก็อยู่ต่ออีกถึงสี่สิบห้าปีด้วยกัน และในทุกวันท่านก็จะทําหน้าที่สั่งสอนอบรมธรรมะให้กับผู้ที่สนใจเช่นตอนบ่ายก็สอนให้กับศรัทธาญาติโยมผู้เป็นคารวะผู้คลองเรือนยามค่ําก็สั่งสอนให้กับภิกษุภิกษุณีนักบวชยามดึกก็สั่งสอนให้กับพวกเทวดาพวกกายทิพย์ทั้งหลายและยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาต ก็จะเลงยานดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษจะเลงไปดูที่ว่าจิตใจของผู้นั้นพร้อมที่จะบรรลุทําได้หรือไม่แล้วก็ชีวิตของเขานั้นอาจจะต้องมีแต่มีมีแก่อันเป็นไปในระยะเวลาอันใกล้เพราะก็จะส่งไปโปรดบุคคล น, นั้นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเขาตายไปแล้ว โอกาสที่เขาจะได้รับธรรมะโอกาสที่เขาจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็จะหมดไปจะต้องรอกลับมาเกิดใหม่มาเกิดแล้วมาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใหม่ทั้งนั้นถึงจะสามารถศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พระ อ, องค์ก็จะทรงมุ่งไปโปรดคนคนค น, คนนั้นก่อนในวันนั้นนี่แหละคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงกระทำทุกวันทรงสอน เพื่อที่จะได้ผลิตให้มีพระอริยสงสารกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับยิ่งมีครูอาจารย์มากขึ้นเท่านั้นลูกศิษย์ลูกหาก็จะมีจนวนเพิ่มมากขึ้นถ้ามีอาจารย์มากคนที่อยากจะเรียนก็จะมีที่ไปเรียนกันมากเหมือนกับโรงเรียนสมัยก่อนนี้ที่ประเทศไทยเรานี้มีโรงเรียนน้อยเพราะว่าเรายัางเป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่ เราไม่มีกำลังที่จะสร้างโรงเรียนสร้างครูสร้างอาจารย์ขึ้นมาแต่ต่อมาเราก็พยายามเพิ่มปริมาณโรงเรียนเพิ่มปริมาณครูขึ้นมาเบื้องต้นครูของเราไม่พอก็ไปเรียนที่เมืองนอกไปเรียนที่ต่างประเทศกันเพราะที่โรงเรียนที่ประเทศเราไม่มีโรงเรียนพอที่จะสอนครูได้เป็นจานวนมากก็มีการไปศึกษาต่างประเทศกันแล้วพอจบก็กลับมามาเป็นครูเป็นอาจารย์มาสั่งสอน ตอนอย่นี้เรามีโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นกว่ายุคก่อนมีคนที่มีได้เรียนได้ศึกษาก็มีวิชาความรู้มากขึ้นสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขายังไม่มีการศึกษาก mm hmm. ารศึกษานี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ทางจิตใจหรือพัฒนาทางโลกก็ตาเพราะพวกเราทุกคนเวลาเกิดมานี้มักจะไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถที่ติดตัวมากับเราเรามักจะต้องมาศึกษามาเรียนรู้ในขณะที่เรากำลังอยู่ในวัยเรียนกันพ่อแม่ก็จะส่งเราไปโรงเรียนไปเรียนวิชาต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันอรันาตน์ตัยนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนแหล่งของความรู้แหล่ง แหล่งของการศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้ า, าศาสนาเหล่านี้ไม่มีพระรัตนะตายหลงเหลืออยู่หรือถ้าไม่มีพระอริยสงสารนี้ถึงแม้จะมีพระไตรปิฎกอยู่ก็ตามแต่การศึกษาจากพระไตรปิฎกด้วยตนเองนี้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการที่จะเข้าถึงต่อการที่จะเข้าใจและต่อการที่จะนามาไปปฏิบัติ เพื่อให้หลุดพ้นได้จะว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ใช่เป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากยากกว่าถ้ามีพระ อ, อริยสงสารมาเป็นผู้สั่งสอนเอาธรรมะอันเดียวกันนี้แหละจากเอาพระสูตรอันเดียวกันนี้มาสอนมาแจงลองไปอ่านพระสูตรดูแล้วลองลองไปฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์เกี่ยวกับพระสูตรอันเดียวกันนี้เราจะเข้าใจได้ลึกซึ้งกว้างขวางมากกว่า จากการที่เราอ่านจากข้อสูตรโดยตรงอ่านแล้วบางทีใจเราก็ยังคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามเจตนาลมของคำสอนก็ได้หรือไม่เข้าใจก็ได้เพราะว่ามันเป็นคำสอนที่เวลาทรงสแสดงนเป็นภาษาภาษาหนึ่งไม่ใช่เป็นภาษาที่เราใช้พูดกันแล้วเมื่อเอามาแปลเป็นภาษาที่เราใช้พูดกันการแปลภาษาก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนไป อาจจะทำให้งงอาจจะทำให้ไม่เข้าใจก็ได้แต่ถ้ามีผู้ที่ได้ศึกได้บรรลุแล้วได้ปฏิบัติได้บรรลุแล้วนี้จะเข้าใจถึงความความคาดเคลื่อนนึกของความที่ที่ไม่ไม่เข้าใจว่าเป็นเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะนำามาขยายความมาอธิบายให้ผู้ที่ยังสงสัยอยู่ยังไม่เข้าใจอยู่นี้สามารถเข้าใจได้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนี่แหละคือประเด็นสาคัญของพระพุทธศาสนาถ้าอยากจะให้พระพุทธศาสนาอยู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆทำคุณทำประโยชน์ไปเรื่อยๆเราก็ต้องทำแบบที่พระเจ้าทรงทำมาเป็นตัวอย่างก็คือสร้างพระ อ, อริยสงสารุกข์ขึ้นมาให้มากที่สุดให้มีให้มีอยู่เรื่อยๆ พอเมื่อมีพระอริยสงสารกแล้วพระอริยสงสารกก็จะสามารถไปสร้างพระอริยสงสารกรุ่นต่อไปได้พอรุ่นพอรุ่นนี้ครูบาอาจารย์รุ่นนี้ตายไปพระอริยสงสารกที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างไว้ก็จะมาทำหน้าที่ต่อมาสร้างพระอริยสงสารกรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปแต่ละรุ่นก็จะก็จะมาทำสร้างสร้างพระอริยสงสารกเป็นรุ่นรุ่นไป สืบทอดพระพุทธศาสนาการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี้ต้องสืบทอดด้วยพระอริยสงสาวกญถึงจะสืบทอดได้อย่างถูกตั้งแม่นยำํำถ้าสืบทอดด้วยพระภิกษุที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนี้จะไม่สามารถที่จะสืบทอดให้ถูกตั้งแม่นยําได้และคําสอนก็จะไม่สามารถทําให้ผู้ศึกษาปฏิบัตินี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นี่แหละคือเนื้อของพระพุทธศาสนาที่จะให้คุณให้ประโยชน์กับผู้ที่เข้าหาคืออยู่ที่พระรัตนาตยว่าเราสามารถรักษาพระรัตนาตยให้มีอยู่ไปเรื่อยๆได้หรือไม่พระพุทธเจ้ากับพระพระธรรมคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี้เรารักษาได้เพราะมันเป็นคำภีนะครับแต่สิ่งที่เราที่เราจะรักษาให้มีอยู่ไปเรื่อยๆก็คือพระอริยสงสารโลนี้มัน ต้องมีการผลิตขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าพระอาริยรสงสาวกแต่ละรูปท่านก็มีอายุไม่เกินร้อยปีท่านก็ต้องตายไปเช mm hmm. ่นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือที่เราได้ยินได้ศึกษาประวัติของท่านส่วนใหญ่ตอนนี้ท่านก็จากโลกนี้ไปแล้วเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่เสาหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนครูบาอาจารย์ต่างๆเหล่านี้ท่านเป็นพระอาริยรสงสาวกของพระพุทธเจ้า ในขณะที่ท่านมีชีวิตยอยู่ท่านก็อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งทั้งพระเนนทั้งคารวะญาติโยมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วพอเขาได้ศึกษาได้ปฏิบัติเขาก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอริยสงสารกได้พอครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเสียชีวิตไปครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ก็จะเข้ามาทาหน้าที่ต่อไป แต่ถ้าเราไม่มีการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างพระอาริยรสงสารกมีแต่มีแต่พระที่ยังมีกิเลสอยู่การเผยแผ่ธรรมะก็จะเป็นเผยแผ่กิเลส ต, ตามตามอํานาจของกิเลสตัณหาตามความหนงโมหะวิชาซึ่งไม่ตรงกับหลักของความเป็นจริงธรรมะที่เรียนรู้ก็จะไม่สามารถนํา ม, มาใช้ดับความทุกข์ต่างๆได้เพราะกิเลสนี้จะ เป็นผู้ที่มาคอยขัดขวางการใช้ธรรมะเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะการใช้ธรรมะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องฆ่ากิเลสเท่านั้นซึ่งกิเลสมันก็ไม่ยอมให้ฆ่าง่ายๆมันก็จะมีอุบายมันมีวิธีหลอกล่อให้ผู้ที่ศึกษานี้ให้เชื่อไปในทางที่ผิดแทนที่จะไปละความโลภความโกรธความหลงอกลับไป รับใช้ความโลภความโกรธความหลงโดยไม่รู้สึกตัวใช่ไหมแล้วถ้าไปรับใช้ความโลภความโกรธความหลงความทุกข์มันก็จะไม่มีวันหมดไปเพราะความทุกข์มันก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี่ต้องมีพระอริยบุคคลที่ได้ฆ่ากิเลสหมดสิ้นไปแล้วรู้วิธีรู้กลยุทธ์ต่างๆของกิเลสตัณหาว่ามันจะหลอกผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติให้หลงไปในทางที่ผิดได้อย่างไร แต่ถ้ามีพระสาษ์บุคคลคอยสั่งคอยสอนแล้วนี้เราจะไม่หลงทางเพราะเราจะคอยฟังเทศฟังธรรมของท่านเป็นระยะระยะไปการศึกษากับการปฏิบัติทางธรรมนี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปไม่ได้ยากกันอย่างที่ทากันในวงการสงฆ์ในปัจจุบันเช<ม>นยากให้ไปเรียนนักธรรมตีโทวเอก แล้วก็ไปเรียนประเลนหนึ่งถึง9ก้าก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติอันนี้แล้วบางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติพอได้ได้ประเลนเ้าแล้วก็ได้ลาบยศได้ลาบสักการและได้ยศได้ตำแหน่งได้การแต่งตั้งให้เป็นครูเป็นอาจารย์ขึ้นมาเสียแล้วกิเลสมันก็เลยไม่อยากจะไปเป็นลูกศิลป์ลูกหาใครเพราะถ้าไปปฏิบัติก็ต้องไปเริ่มต้นที่ที่ที่ศูนย์ใหม่เวลาไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เนี ก็ต้องทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ถ้ามีความรู้จบระดับปรีนแล้วก็อาจจะคิดว่าตัวเองนี่รู้มากพอแล้วจะไปไม่ต้องไปเป็นลูกศิษย์ของใครแล้วอันนี้ก็เป็นกิเลสอย่างนึงที่มันจะกีดขวางการเจริญในธรรมของผู้ที่ได้ศึกษาวิธีที่ศึกษาและปฏิบัติที่ถูกต้องนี้ต้องศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปก็คือไปอยู่กับครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ก็จะเทศให้ฟังอยู่เรื่อยๆห้าวันบ้างเจ็วันบ้างท่านก็จะเรียกประชุมแล้วก็จะสอนอุบายเรื่องของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาสอนว่าจะรักษาศีลอย่างไงให้บริสุทธิ์ให้ฝึกสติเพื่อให้เกิดสมาธิได้อย่างไรให้เจริญปัญญาให้พิจารณาอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นตน้นอันนี้ครเรียนอย่างนี้ก็พอแล้วเรียนเพื่อรู้เพื่อเอาไปปฏิบัติ ไม่ได้เรียนเพื่อเอาใบประกาศเนี่ยถ้าถ้าเรียนแบบทางโลกเนี่ยเอาก็จะมีใบประกาศให้พอจบนักธรรมตรีเขาก็จะมีแจกใบประกาศว่าพระรูปนี้ได้จบธรรมะในระดับนักธรรมตรีแล้วอแล้วพอจบนักธรรมโตก็ออกใบประกาศให้อีกใบใบประกาศอันนี้มันค่ากิเลสไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่นําเอาไปปฏิบัติเรียนรู้แล้วแต่ไม่นําเอาไปปฏิบัติ ต้องปฏิบัติเพราะถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์นอกจากเ ร, เรียนรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วยังมีกลอุบายต่างๆของธรรมะที่จะเอามาใช้ต่อสู้กับกิเลสเช่นทุดงขวัตอย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่แบบสุขอย่างสบายกินอยู่อย่างสบายกินเวลาสองมือ อ, มอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดความเกลียดค้านเกิด <ๆ S 2> ความง่วงเหงา<ๆ>หานอ น, อนอเวลาที่จะนั่งสมาธิ ถ้าอยากจะนั่งสมาธิโดยไม่มีอุปสรรคท่านก็ให้สอนให้ถือทุตดงเขวัตจะให้ฉันมื้อเดียว<ม>ฉันในบาทเอาอาหารทั้งหมดรวมเข้าไปในบาทจะได้ไม่ฉันมากเกินไป<ม><ม>เพราะถ้าอาหารมันทุกอย่างมันปนอยู่ในบาทแล้วมันดูแล้วมันไม่น่ารับประทา น, นมีทั้งของเค้าของหวานของอะไรปนกันไป<ม>ก็จะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน แล้วก็ให้บินทบาทการบินทบาทนี้ก็เป็นการสร้างความเพียงให้เกิดขึ้นเพราะว่าต้อ ง, อ, งออกเดินเดินด้วยเท้าไปที่หมู่บ้านวัดป่าส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ห่างจากวัดอยู่ห่างจากสถานที่บินทบาทประมาณอย่างน้อยประมาณ2กิโลเพราะอยู่ใกล้บ้านไม่ดีอยู่ใกล้บ้านแล้วมันจะถูกเสียงรบกวนเข้ามาทำให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้ยากวัะป่าส่วนใหญ่จึงอยู่ห่าง ไกลจากลราแวกบ้านประมาณทักสองสามกิโลด้วยกัน mm hmm. พาพตอนที่ตอนเช้าจะไปวิญญบาาก็ต้องเดินกัน mm hmm. เดินไปกลับก็อย่างน้อยก็สี่ห้ากิโลขึ้นไป mm hmm. เป็นการออกกำลังกายไปในตัวเป็นการเจริญสติเป็นการเดินจงกรม mm hmm. แล้วก็เป็นการเลี้ยงชีพด้วยด้วยำแข้งํำขาของตนเอง mm hmm. มิจะทำเสริมความเพียนเสริมสติเสริมความมากน้อยสันโดษ ที่เป็นเครื่องมือในการที่จะมาใช้ในการกําจัด ก, กิเลสตัณหากิเลสมันชอบมากๆชอบจุ้จี้จุกจิกชอบกินนูน่นชอบเรื่องกินนูน่นกินนี่ชอบเลือก อ, อนุ่นไอ้นี่พอพอไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าใช้ความมากน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดมากหรือน้อยก็เอาจะได้อะไรมาก็สันโดษยินดีตามตามีตามเกิด อย่างนี้ก็จะไม่มีความทุกข์ใจเสียใจเพราะกินได้ทั้งนั้นได้อาหารอะไรมาก็กินกินเพื่ออยู่กินเพื่อดับความหิวเท่านั้นเองไม่ได้กินเพื่อความสุขจากการกินการรับประทานแต่อย่างใดอุ <S S S S S S S บายเหล่านี้จะไม่ได้เรียนในในหลักสูตรของนัก ร, รมตีทอเองเขาไม่สอนกันเพราะว่าคนสอนก็ไม่ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ออกมาสอนทุตุมขาวัตนี้จะไม่มีการสอนใน ในหลักสูตรของนักธรรมตีโทเองแต่จะมีการสอนในในสายปฏิบัติเท่านั้นนอกจากทุดงขวัแล้วก็ยังมีการสอนเรื่องกรรมฐานกรรมฐานก็คือการวิธีการเจริญสติด้วยอารมณ์ต่างๆจิตจะสงบได้นี้ต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดวุ่นวายถึงเรื่องราวต่างๆถ้าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเกิดอารมณ์ขุนมัวขึ้นมา เกิดความว้าวุ่นเกิดความเครียดเกิดความเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาจิตก็จะไม่มีวันจะสงบได้ถ้าไม่มีกรรมฐานเป็นอารมณ์ผูกใจไว้สายปฏิบัตินี้เขาจะสอนสิ่งที่จําเป็นต่อการที่จะทําให้ใจสงบสอนเรื่องกรรมฐานเรื่องการเจริญสติด้วยอารมณ์ของกรรมฐานกรรมฐานที่เราใช้กันที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือพุทธานุสติการมีสติแล้ว ร, รู้อยู่กับพระพุทธเจ้า เช่นคำ บ, บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะเวลาที่เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี้แสดงว่าเรากําลังเจริญสติแล้วเรากําลังเจริญกรรมาฐานนะเรากําลังมีกรรมาฐานไว้ผูกใจไม่ให้ใครดึงไม่ให้ใจไปคิดว่าวุ่นขุนเมือ่อต่างๆขึ้นมาสอนให้ทําไม่ใช่เฉพาะเวลามานั่งสมาธิเท่านั้นสอนให้ทําทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ให้เริ่มเจริญสติได้เลย ให้ใช้คำบริกรรมคอยสกัดกั้นความคิดต่างๆเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดอะไรถ้าเป็นนักบวชแล้วนี่ไม่มีงานอะไรต้องทำไม่เหมือนคารวสผู้คองเรือนี้มีงานต้องทอออกไปทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำธุรกิจอะไรต่างๆก็ต้องมีการคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแต่พอมาเป็นนักบวชนี่ไม่มีธุรกิจแล้วธุระอันเดียวที่ต้องทาก็คือการเจริญสติการทาใจให้สงบนี่เป็นธุระของพระ และการที่จะทําให้ใจสงบก็ต้องหยุดความคิดให้ได้และการจะหยุดความคิดให้ได้ก็ต้องมีกรรมฐานไม่เป็นเครื่องผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถ้าเราอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วพอเรามานั่งสมาธินั่งเฉยๆแล้วอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ เนี่ยคือการศึกษาต้องศึกษาไปพร้อมๆกับการปฏิบัติไปฟังวันนี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านก็อาจจะพูดเรื่องเรื่องเก่าหรืออาจจะเน้นเรื่องเรื่องอื่นบ้างสลับกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ทุกครั้งที่เราฟังเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆหรือถ้าเป็นความความรู้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราฟังซ้าอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้น เราก็สามารถนำเอาไปปรับการปฏิบัติของเราให้ถูกต้องตามคำสอนของครูบาอาจารย์ไนดะ้บางทีเราอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจเอาไปปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติตามที่ท่านพูดเข้าใจกันคนละอยา่างปฏิบัติแล้วก็ไม่เกิดผลขึ้นมาแต่พอมาฟังทมครั้งใหม่ฟังเรื่องเก่าแต่ท่านอธิบายให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นพอเราฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าเราทาไม่ถูกตรงนี้ต้องปรับการปฏิบัติของเรา การเรียนกับการปฏิบัติจึงเป็นของที่ต้องทําควบคู่กันไปไม่ใช่เรียนอย่างเดียวจนจบหลักสูตรเก้าปีแล้วค่อยมาปฏิบัติพอมาปฏิบัติมันก็ลืมไปหมดแล้วที่เรียนมาเรียนอะไรมาบ้างมีแต่ความจําเรียนแล้วก็จําจําเพื่อสอบทั้นเองพอสอบผ่านแล้วก็ไม่จํามัน ล, ลืมไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่สามารถนํามาไปปฏิบัติได้ สังเกตดูพวกที่จบปร ะ, ประเญาตรทั้งหมดเนี่ยมีใครออกไปปฏิบัติกันบ้างไม่มีเรียนจบป ร, ริญญนแล้วก็ถือว่าเป็นอาจารย์แนละ้วเขาตัง้งตําแหน่งมีตําแหน่งมารอยอยู่แล้วให้เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนผ้าใหม่กันแล้วแล้วเอาอะไรไปสั่งไปสอนนะก็เอาความจําจําผิดจําถูกไปสั่งไปสอนนั่นเองมันก็เลยทําให้ไม่เกิดศรัทธาคนฟังก็ฟังไม่เข้าใจบ้าง ฟังแล้วไ ม, ไม่ไม่ไม่รู้จะเอาไปปฏิบัติได้อย่างไรเพราะคนสอนไม่ได้นํามาไปปฏิบัติมาก่อนเมื่อคนสอนไม่ปฏิบัติแล้วคนฟังจะไปเรียนแล้จะไปปฏิบัติได้อย่างไรมัน่อ็เลยติดอยู่แค่ตรงนี้มีแต่การเรียนแต่ไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมศาสนาก็เลยขาดพระอริยสงสารลงไปถึงแม้ว่าจะมีพระในประเทศไทยมีจํานวนเป็นแสนก็ตาม แต่จำนวนพระอริยสงฆ์เนี่ยมีกี่รูปกันแล้วพระริยสงฆ์ส่วนใหญ่นี้มาจากที่ไหนกันถ้าไม่ได้มาจากพระสายปฏิบัติธรรมพระสายป ร, ริยนสายป ร, ริยะ น, นี้ไม่มีใครบรรลุธรรมกันเพราะไม่ได้ปฏิบัติเรียนแล้วก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนเอาความรู้ที่ได้มาจากการเรียนจากการจดจำไม่รู้ว่าความรู้นี้สามารถนาเอาไปใช้ดักกิเลสได้อย่างไรหรือไม่อย่างไร เพราะตอนเองไม่ได้เอาไปปฏิบัติไม่ได้ไปพิสูจน์ <c oughs> ก็เลยไม่รู้สอนใบก็สอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกสอนแล้วก็ไม่รู้ว่าสามารถนำมาไปดับความทุกข์ได้หรือเปล่า <c oughs> ทำได้อย่างเดียวสอนได้อย่างเดียวเพื่อให้ไปไปสอบสอบแล้วก็จะได้พอสอบผ่านก็จะได้ได้ใบประกาศว่าได้จบ <c oughs> นักทำตีแล้วนักทำโทรแล้วนักทำเอกแล้วแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการจดจำท่า น, นศึกษาท่านเอง ไม่ได้ศึกษาว่าความรู้ที่นำมามานี้สามารถนํามาไปใช้ดับกิเลสได้หรือเปล่าดับความทุกข์ทางใจได้เปล่าทําให้ความโกรธความโลภความโกรธความหลงในใจนี้น้อยลงไปหมดไปได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปปฏิบัติแต่สําหรับสายปฏิบัตินี้เขาจะรู้เวลาเขานําความรู้ที่เขาได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติจะเลิญสติอย่างไรจะเจริญทั้งวันทั้งคืนไม่ให้ปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อย นั่งสมาธิจิตสงบจิตรวมอย่างไรมันจะรู้ของเหานี้มันเป็นของจริงมันมีอยู่รอเราอยู่เ<ม>พียงแต่ว่าเราทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้เท่านั้นเอง<ม>แต่ถ้าเราไม่ถ้าเราเรียนแล้วเราไม่เอาไปปฏิบัติผลที่มันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเราจะไปสอนคนอื่นเขาได้ยังไงว่าสอนอย่างนี้เราจะได้ผลอย่างไรดฉะนั<ม>้นการการจะสอนให้ถูกต้องนี้ต้องผ่านการปฏิบัติผ่านการบรรลุธรรมก่อน เมื่อการได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้วดับกิเลสได้แล้วดับความทุกข์ต่างๆได้แล้วทีนี้สามารถที่จะนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่อยากจะดับกิเลสได้อย่างแท้จริง<ม>ถามสอนไปแล้วสงสยัยตรงไหนถามได้ปฏิบัติแล้วทำไมจิตยังไม่บรรลุจิตทาไมยังไม่สงบตอบได้ขาดอะไรควรเติมอะไรต่างๆางางเหล่านี้เป็นเรื่องของ กระบวนการของการสร้างพาระรัตนาตรัยให้อยู่กับโลกนี้เป็นนานๆเพราะศาสนาของเราจะอยู่ทําคุณทำประโยชน์ให้กับโลกได้ก็ต้องมีพระรัตนาตรัยนี้แหละพระพุทธพระธรรมพระพุทธพระธรรมก็อยู่ในพระไตรปิฎกแต่สิ่งที่เราขาดคนที่จะมาสอนก็คือพระอริยสงสาวกที่จะเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้ออกมาอธิบายให้ผู้ที่ศึกษาได้เอาไปปฏิบัติ ได้บรรลุกันถ้าไม่มีพระ อ, อริยสงฆ์แล้วนี่การศึกษาก็จะไม่ครบขบวนการได้แต่ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ไม่สามารถนํามาไปใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ต้องมีคนที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถึงจะเอาคํารู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ปฏิบัติ ผู้ที่ศึกษาและผู้ปฏิบัติให้บรร ล, ลุ ม, มรรคผลนิพพานได้เมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะเป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่จะสามารถมาทําหน้าที่สืบทอดพระพระศาสนาให้อยู่ต่อไปได้เป็นรุ่นๆุ่นไปนี่แหละคือประเด็นสําคัญของขององค์ส่วนประกอบของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การมีพระรัตนตรัยครบองค์มีพระพุทธพระธรรมอยู่ในพระไตรปิฎก แล้วก็มีพระอริยรสงสาวุกที่จะเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้มาสั่งมาสอนมาอธิบายให้กับผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้นํำอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลตาม ม, ม, มาเมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้เกิดจากการปฏิบัตินี้ไปสั่งสอนให้กับผู้ต่อไปได้ ศาสนาก็จะมีพระอริยบุคคลมาสืบทอดกันอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ามีพระอริยบุคคลสืบทอดอยู่คนที่มีศรัทธาอยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นก็จะมีที่พึ่งมีที่เรียนรู้สามารถศึกษาและปฏิบัติและสามารถทําให้ตนเองหลุดพ้นได้ mm hmm. ก็จะมีการมาศึกษามาลริ่มเรียนกันอยู่เรื่อยๆถ้าตาบใดมีครูมีอาจารย์ ที่สามารถสอนให้เขาปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าตาบใดไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานได้ความศรัทธามันก็จะหมดไปเสื่อมไปก็จะไม่มีใครเข้าวัดเด็กต่อไปคนที่เข้าวัดก็ไม่ได้เข้าวัดเพื่อหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้หาวิมุตติไม่ได้หาธรรมะเพื่อการหลุดพ้นก็เข้าวัดแบบไปเที่ยวกั น, นไปเที่ยวปเยวป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปอย่างวัดพระแก้วมรดกนี่เห็นไหมวัด มีชาวต่างชาติมีคนต่างๆมากันเที่ยวกันแต่การไปกราบไหว้ได้หลยจากการไปกราบไห ว, ไากกาไกไว้ก็ได้แก่การความรู้สึกว่ามีศรัทธาเรื่องสายท่นเองในพระพุทธในพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําอะไรบ้างอย่างไรเพราะพระพุทธรูปนี้สอนไม่ได้พระพุทธรูปนี้นั่งเฉยๆพูดไม่ได้อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธรูปสอนไม่ได้ อยากจะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องไปศึกษาจากพระไตรปิฎกเมื่อศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วก็จะเกิดความเข้าไม่เกิดความสงสัยเกิดความไม่เข้าใจและใครจะเป็นผู้ที่จะมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ถ้าไม่มีพระอริยบุคคลมามาสอนมาอธิบายก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจได้การเจริญก้าวหน้าทางธรรมก็จะไม่สามารถเป็นไปได้ถ้าเราวม่มา ส่งเสริมการสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปนเอย่างนี้แข่งขันกันว่าพระพุทธรูปวัดไหนจะใหญ่กว่ากันนะ mm hmm. ต่อไปก็จะสูงเป็นเป็นกิโลก็ได้พระพุทธรูปใหญ่ใหญ่ที่สุดในประเทศมันจะมันจะสร้างกันขึ้นไปเรื่อยแข่งกันขึ้นไปเรื่อยๆวัดนี้สวยงามที่สุดน mm hmm. ดูในเข้าโฆษณากันวัดไหนสวยบ้างแต่ไม่มีว่าวัดไหนไปแล้วจะสามารถทําให้กิเลสตายได้ไม่มีโฆษณากันเลย มีแต่วัดที่สวยที่งามที่ยิ่งใหญ่อะไรต่างๆแล้วไปแล้วได้อะไรไปแล้วกิเลสมันหมดไปจากใจหรือเปล่าความทุกขที่มีอยู่ในใจมันหมดสิ้นไปจากใจหรือเปล่ามันไม่หมดหรอกนะงั้นอย่าไปกินเปลือกกันถ้าเราอยากจะกินอยากจะได้ความอิ่มจากผลไม้เราไม่กินเปลือกเรากินเนื้อของผลไม้เวลาเรากินทุเรียนเราไม่กินเปลือกกันเราแกะเปลือกออกแล้วโย น, นเปลือกทิ้งไปแล้วเราก็กินเนื้อของทุเรียน เพราะเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วมันก็จะทําทให้เราอิ่มขึ้นมาฉันใดศาสนาก็เหมือนกับผ ล, ลไม้อย่าไปกินเปลือกอย่าไปหลงหลายข้างใครกับถาว ร, รวัตถุ ก, กับวัดวายรามต่างๆที่มีการสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามอย่างวิจิตพิสดารไปแล้วก็ได้ถ่ายรูปกันได้ไปโชว์กันว่าฉันได้มาที่นี่แล้วก็เท่านั้นเองแต่กิเลสตัณหาความทุกข์ต่างๆที่มีใ น, ในใจนี้มันไม่ได้หายไปเลยแม้แต่นิดเดียวมันยังมีอยู่เท่าเดิม และอาจจะมีมากกว่าเดิมขึ้นมาเสียด้วยซ้ําไปถ้าอยากจะได้สาระประโยชน์จากพระพุทธศาสนาต้องกินเนื้อสองศาสนาเนื้อของาศาสนาก็คือเข้าหาพระรัตนตรัยเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาจากพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนําเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้อง เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็คือมรรคผลที่ผ่านก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนเช่นในพระสูตรในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าถ้าสามารถจเจริญสติตามที่ทรงสอนได้จเจริญสติเข้าสมาธิได้พิจารณาปัญญาได้ก็สามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวันถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีก็จะสามารถบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้ แต่ต้องศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องศึกษาจากพระตไตรปิฎกแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาริยบุคคลคอยมาคอยมาสอนคอยบอกคอยแก้ปัญหาเวลาไปติดที่ตรงไหนก็สามารถแก้ปัญหาที่เราติดได้เวลาสงสัยอะไรก็สามารถกำจัดความรังเลสงสัยได้อันนี้แหละมันก็จะทําให้เราสามารถก้าวหน้าไปในทางธรรมได้จนกระทั่งเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ฉะันถ้าอยากจะได้สาระประโยชน์อยากจะได้ความสุขอยากจะได้ความอิ่มต้องเข้าหาเนื้อของาศาสนาอย่าไปกินเปลือกาศาสนาเปลือกของาศาสนานี่มันไม่ได้ทำให้ใจอิ่มมันไม่ได้ทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สิ่งที่จะทำให้ใจอิ่มทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะทำให้ใจได้ปรัมังสุขขังความสุข ท, ที่ที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการศึกษาและการปฏิบัติจากพระอรตนาใจ พระอริยะบุคคลดันั้นหน้าที่ของพวกเราถ้าเราอยากจะอนุรักษ์ศาสนาให้อยู่ไปเรื่อยๆเราก็ต้องมาช่วยกันส่งเสริมสร้างพระอริยบุคคลกันขั้นแรกก็สร้างตัวเราให้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาก่อนเพราะเมื่อเราเป็นพระอริยบุคคลแล้วเราก็จะสามารถสอนคนอื่นให้เป็นพระอริยบุคคลตามเราขึ้นมาได้อันนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะทําให้ศาสนาจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็อยู่ยั่งยืนไปเป็นเวลาอันยาวนาน อย่าไปนเน้นเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างถาวรและวัตถุต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสร้างพารียะบุคคลขึ้นมาได้ไม่สามารถที่จะทําให้ศาสนาเจริญได้อย่างแท้จริงจเจริญได้เพียงแต่ทางด้านวัตถุแต่ไม่สามารถสร้างความเจริญทางด้านจิตใจได้นี่ก็คือเรื่องของส่วนประกอบของศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือเรื่องของวัดวารามที่เป็นเหมือนเปลือก แตเรื่องของพระรันตนไตยที่เป็นเหมือนเนื้อของศาสนาขอให้เรามากินกินเนื้อกันอย่าไปกินเปลือกให้เรามาสร้างพระอริยบุคคลกันด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุมรรคผลผนิพพานเมื่อบรรลุแล้วเราก็จะสามารถเป็นผู้ที่จะสอนผู้อื่นต่อไปเพื่อที่จะได้มีผู้มาสืบทอดรักษาพระศาสนาของเราให้อยู่ต่อไปได้เป็นเวลาอันยาวนานการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนะระโสยะถามณิโชติ อะระโสยะทาสพีติโยวิวาชนตุสัพพรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวันุสุขัง พาล้าลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าจะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะว่าหลังจากเลิกแล้วจะไม่ได้มีโอกาสได้สนทนากันทั้นอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมนานุกติจากทางเฟซบุ๊กสามร้อยสี่สิบสองท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v e สา1ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดยูทูบด็อร v วีสามสิบปดวิทยุออนไลน์สิบห้าับ์สามนกกุติหนึ่งร้อยสแปดสิบรวมทั้งหมดเก้าร้อยสี่สิบเก้าท่านค่ะ อ่ามีคําถามก็ถามได้เลยคําถามจากคําถามจากทาง facebook ค่ะพระโสดาบันยังมีความเศร้าโศกเสียใจต่างจากผุ้ทชนอย่างไรบ้างครับคือไม่เสียใจกับการพลาดจากกันเวลาคนตายนี่จะเฉยเฉยเวลาตัวเองจะตายก็เฉยเฉยคำถามจากทาง facebook ค่ะ พระอาจารย์บอกว่าจิตที่ยังเป็นธาตุรู้เหมือนธาตุดินน้ำลมไฟที่รวมตัวกันเป็นร่างกายพอตายก็แตกสลายเหลือจิตและจะทําให้จิตแตกสลายคือนิพพานใชไหมคะคือการปฏิบัติวิปัสสนาใช่ไหมคะคือจิตก็ไม่แตกสลายดินน้ำลมไฟเขาก็ไม่แตกสลายแต่ส่วนที่เขามารวมกันนี่เวลาดินน้ำลมไฟมารวมเป็นร่างกายนี้เขาจะแยกออกจากกัน ร่างกายก็จะหมดไปหายไปแต่จิตนี้ไม่ได้แยกจุดแยกออกจากออกจากการไปติดต่อกับร่างกายท่านไม่มีการติดต่อกับร่างกายแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปจิตก็ไปติดต่อกับร่างกายอันใหม่ต่อไปอันนี้ยังไม่มีคําถามเข้ามาเลยอ่าใครอยากจะถวายของก็เชิญเข้ามาได้ตอนนี้ถวายได้ อ่าอยากจะถางว่าถามได้อน้อมกราบพระอาจารย์แล้วค่ะอืมบางทีทําไมจิตเราออกไปข้างนอกได้แต่บางครั้งไปไม่ได้แล้วคะอ่าก็ถามตัวเองนะมันครับไปได้แล้วไปไม่ได้ก็รู้เฉยๆก็แล้วกันรู้มันไปได้รู้มันไปไม่ได้ก็จบไม่ต้องไปรู้ทําไทอไมไม่รู้ ม, มันทําไมเพื่ออะไร รู้ว่ามันทำให้เราทุกข์หรือเปล่าก็พอถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปกังวลถ้ามันทุกข์ก็หาวิธีดับความทุกข์ให้ได้บางทีหนูไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นในสิ่งที่หนูทำว่าว่าสิ่งนั้นผิดเจ้าค่ะบางครั้งมันก็มองให้เป็นไตรลักษณ์ไปไงก็จะเป็นปัญญาขึ้นมามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเป็นอนัตตาไม่มีใครไปสั่งมันได้ห้ามมันได้ ในส่วนของจิตที่เห็นจิตวันที่หนูหนูหนูหนูทันที่จะดูจิตแต่หนูไม่ทันไม่สามารถหยุดอารมณ์ความโมโหหรือความโกรธได้เจ้าคะ่ะก็อย่าเพิ่งไปดูจิตพระเจ้าบอกให้มีสติให้มีปัญญาก่อนแล้วค่อยไปดูจิตแล้วก็จะหยุดได้หยุดความโลภโกรธลงนะแล้วมันจะทําให้เกิดปัญญาต่อมาหรือเปล่าเจ้าค่ะปัญญาก็ต้องไปสร้างขึ้นมาโดยการพิจารณาไตายรักทุกอย่างที่เรารักเราชอบมันเป็นตายรักมันเป็นทุกข์ พอเริม่มเป็นทุกเราก็จะไม่มีความโลภ ก, กับมันบางทีหนูอยากเอ่อรู้ทันนิสัยไม่ดีที่อาจจะก่อเวรกรรมที่หนูไม่ไม่อยากที่จะพึงกระทําเจ้าค่ะก็ให้รู้เวลาเราจะไปทําร้ายคนอื่นก็ให้หยุดมันไงถ้าเราไม่ไปทําร้ายคนอื่นเวรกรรมก็ไม่มีนํากาพอาจารย์เจ้าค่ะยังไม่มีคําถามนะ ยังไม่มีค่ ะ, okay. ะมาแล้วภาษาภาษาอังกฤษเป็นชาวอินโดมาอยู่ปฏิบัติธรรมเดินทางมาเพื่อมาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจบแล้วเขาก็กลับบ้านไป ท, ที่บ้านไม่มีวัดปฏิบัติเลยต้องมาหาที่นี่โอเคก็เฮ็ด p r a h a n I have one question. Speak louder, speak louder. c a o u say it in a l o u e r o When I meditate almost every day, I was feel numbers from my neck until the whole body. It made me not to push myself, cause I didn't know that is my body problem or mental problem. So I just practice two days eat and one days fasting and sleep between five until seven hours a day. So Pratan have a uh, advice to me. Can you speak closer to the microphone and speak louder? Uh, Prachan, when I meditate almost every day, I was feel numbers from my neck until the whole body. It made me not to push myself, cause I didn't know that is my problem, u um, that is my body problem or my mental problem. So I just practice two days eat and one day fasting. And sleep between five until seven hours a day. So, p r a t a n have advice to me. How do I improve my practice? Well, if the numbness of the body is only happen when you meditate, then it probably is your defilement, your kilesa. So you can ignore it. But if it continues after you meditate, mm -hmm. then maybe you have to go to see a doctor. And find out what's wrong with your body. So, if you if you only happen if it only happen when you meditate, when you finish meditating, it, it disappears. Then it, you don't have anything to worry about. Mm -hmm. Just continue with your meditation and ignore the numbness. Okay. Okay. Thank you, Father. คำถามจากทา YouTube พระอาจารย์ ที่พูดกันว่ามีนิมิตเกิดขึ้นบ้างเห็นนิมิตบ้างนิมิตคืออะไรเกิดขึ้นตอนไหนนิมิตกับความฝันอย่างเดียวกันหรือไ ม, ม่คะเวลานั่งสมาธิบางทีก็อาจจะมีเสียงบ้างมีภาพบ้างมีความรู้สึกอะไรบ้างนี่ก็อย่าไปสนใจมันนะมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่เหมือนกับเราขับรถไปตามท้องถนนนี่เราก็จะเห็นหนูน่นเห็นนี่บ้าง เราก็ไม่ต้องไปสนใจให้สนใจกับการขับรถเพื่อให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางเวลานั่งสมาธิก็ให้สนใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจไปเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปสนใจแเรวก็พุโทโธต่อไปหรือดูลมต่อไปถ้าเราหยุดดูลมแล้วหยุดพุดโทโธแล้วไปสนใจสิ่งที่ปรากฏขึ้นเดี๋ยวเราจะหลงทางมันจะหลอกเราได้ มีมีนิทานที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าสมณะเนรรูปหนึ่งนั่งสมาธิแล้วเห็นดวงไฟขึ้นมาก็เลยตามดวงไฟไปพอลืมตาขึ้นมาทีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้หนุนเะฉนั้นอย่าตามอย่าตามรู้ให้กลับมาที่ลมกลับมาที่พุทโธเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าหน้าตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจก็อย่าไปสนใจมันเป็นภาพหลอนมันไม่ใช่เป็นความจริงอะไร ให้กลับมาที่พุโทโธแล้วทุกอย่างก็จะสงบตัวลงคำถามสักทางยู่คถามสักูพระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอกาบหลวงพ่อเมตตาอธิบายเพื่อความกระจ่างเรื่องการปล่อยวางร่างกายกรณีการเจ็บป่วยแล้วจะพิจารณาอย่างไรว่าควรจะปล่อยไม่รักษากับรักษาเพราะไม่ต้องการเป็นภาระผู้อื่นเราจะพิจารณาจากอะไรว่าควรปล่อยหรือควรรักษาคะเราต้องปล่อยก่อนคือเราจะไม่ทุกกับมันยินดีให้มันตายได้ mm hmm. ก่อน เมืราไม่ทุกขกับมาแล้วเราจะรักษาหรือไม่รักษาก็ดูสภาพความเป็นจริงถ้ายัางรักษาได้แล้วก็ไม่ไปรบกวนใครก็รักษาไปถ้ารักษาได้แต่ต้องไปรบกวนคนอื่นถ้าไม่อยากจะไปรบกวนคนอื่นก็ไม่ต้องรักษาไปข้อที่สองค่ะ แล้วการปล่อยร่างกายไม่รับการรักษาโดยที่รู้แน่ชัดว่าโรคนี้อาจทําให้ตายได้แบบนี้ถือว่ามีเจตนาฆ่าตัวตายไหมคะไม่ได้ฆ่าตัวตายก็ยังให้ปล่อยมันอยู่ไม่คมีเจตนาตรงไหนเจตนาก็คือไม่ไปไม่ไปรับภาระเลี้ยงดูมันท่านเองมันเคยเลี้ยงคนนี้มาคนนีเ้เ ง, งินหมดไม่มีเงินเลี้ยงก็บอกขอหยุดเลี้ยงดูเธอนะ อันนี้เป็นการไปฆ่าเขาหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการฆ่าแต่เขาจะไปอดตายมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะะอันนี้ก็เหมนก า, การหยุดการรักษาร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการมีเจตนา oh. จะไปฆ่าร่างกายเพียงแต่เห็นว่ามันป่วยการเสียเวลาเปล่าเสียเงินเสียทองไปยื้อความเจ็บป่วยความทุกข์ให้มันยาวไปเปล่าปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันหายใจได้ก็หายใจไปกินได้ก็กินไปกินไม่ได้ก็ไม่ลองกิน หายใจไม่ได้ก็หยุดหายใจไปปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติอันนี้ไม่ได้เป็นการไปทำให้เขาตายเขาตายของเขาเองเพราะเขาหมดเขาหมดแรงเขาหมดสภาพที่จะอยู่ต่อไปได้คำถามจากทางคุณละเอียดค่ะทำสมาธิได้แต่สว่างนิ่งๆไม่รู้ต้องทำอย่างไรเจ้าคะทำดออไปเิควรจะคจะมีอะไรไว้ผูกใจอย่าไปนั่งเฉยๆ คนจะมีพุโทโธหรือมีลมหายใจเข้าออกมันถึงจะเข้าไปสู่ความสงบที่ที่ลึกได้ถ้านั่งเฉยๆแล้วก็ดูใบโดยที่ไม่มีอะไรมาผูกใจไว้มันก็อาจจะติดอยู่ตรงนั้นคำถามจากคุณซีแซนซันค่ะ เวลาที่ออกจากการนั่งสมาธิแล้วถ้าไม่ได้ใช้พุโทโธคือต้องการขึ้นสู่วิปัสสนาหนูใช้ดูสภาวะเห็นการเกิดดับของสภาวะต่างๆเช่นโกรธ ด, ดับโลภดับแต่ไม่ได้ใช้วิธีคิดด้วยสมองคือเห็นสภาวะโกรธ ด, ดับโลภดับแต่ไม่ได้ใช้วิธีคิดด้วยสมองแต่จิตเห็นไตรักษณบางคนบอกว่าถ้าหนูเห็นถ้า ถ้าหนูเห็นใยรักเรื่อยๆแบบนี้แต่ไม่คิดด้วยจะโง่ปัญญาไม่เกิดแต่หนูเห็นใจรักคือถูกไหมคะคือเห็นอย่างเดียวไม่พอต้องเห็นเวลามันเกิดความทุกข์แล้วดับความทุกข์ให้ได้ถ้าดับความทุกข์ไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการเห็น <S 2> <S 2> เห็นตใจรักแต่ไม่สามารถเอาตใจรักมาดับความทุกข์ได้ก็ยังไม่ไม่ใช่เป็นตายรักจริงไม่ใช่เป็นปัญญาถ้าเห็นว่าเป็นตายรักจริงแล้วมันเวลาเกิดความทุกข์ต้องหยุดความทุกข์ได้ ถึงจะเป็นการเห็นที่ถูกต้องการเห็นทั้งหมดนี้ก็เพื่อเอามาใช้ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจคำถามจากทาง Facebook ค่ะสามีเคยบวชพระสายธรรมยุทธ์วัดป่าแต่ทางวัดเน้นการก่อสร้างใช้แรงงานทุกวันนั่งสมาธิแค่ทำวัดเช้าเย็นหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแบบนี้จะบรรลุรมได้หรือไม่คะสามีมีความสงสัยในการเดินทางธรรมที่จริงจังค่ะ เก็อยู่ที่สามีมรรลุได้เปล่าต้องถามเขาสิมาถามเราได้ไงอยู่นี่คนปฏิบัติถ้าปฏิบัติแค่ชั่วชั่วโมงสองชั่วโมงยังบรรลุไม่ได้ก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเพิ่มเป็นสี่ชั่วโมงสี่ยังมรรลุไม่ได้ก็เพิ่มเป็นหกชั่วโมงต้องเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะบรรลุคนบางคนมีบุญเก่ามาบางที ปฏิบัติแค่ห้านาทีก็บรรลุได้ก็มีแต่น้อยมากฟังทำรรหนึ่เดียวเข้าใจปับ๊บปิ้งเลยกิเลสวิ่งหนีหมดเลย <c oughs> อยันนี้ก็ก็มีบ้างแไม่ได้ขึ้นที่เวลาอย่างเดียวอยู่ที่ว่าเรามีทำรรที่จะกําจัดกิเลสกําจัดความทุกข์ได้หรือไม่ถ้ากําจัดได้มันก็บางคนก็เร็วบางคนก็ช้าพระเจ้าเลยแยกไว้ว่าบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปี บางคนก็เจ็ดชาติบางคนก็เจ็ดกลับคำถามจากทาง Facebook ค่ะขอโอกาสสอบถามว่าใกล้กับใจสัมพันธ์กันใช้ไหมคะเช่นเรื่องการมราคากราบขอบพระคุณคะ่ะใจเป็นคนใช้ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือส่วนคนที่ใช้มือถือนี่คือใจ อาศัยมือถือนี้ไว้ติดต่อกับคนนั้นคนนี้ไว้ซื้อของเวลาเห็นอยากจะต้องการของอะไรอย่างนี้ก็สั่งซื้อได้ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจใจต้องการเสพกามเสพลูกเสพกลิ่นกินรสต่างๆก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายเท่านั้นเองนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปแต่ใจเป็นของที่ไม่ตายไปกับร่างกาย พอร่างกายตายไปใจที่ยังต้องการเศษกามอยู่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไปเกิดใหม่ก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาพบพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สอนให้เราตัดการเศษกรามลงไปด้วยการไปปฏิบัติทานศีลภาวนาพอปฏิบัติได้ตัดการมราลมได้ตัดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่มีแล้วใช่ไหมออมีเพิ่มเติมสักท่านเดิมค่ะที่ถามเรื่องเห็นการโกรธโลบดับด้วยด้วยสตินะคะ รบกวนพระอาจารย์ช่วยขยายความว่าแค่เห็นเกิดดับเห็นไตร ล, ลักษณ์เกิดดับไม่พอต้องกําจัดความทุกข์ได้หนูต้องทําอย่างไรต่อไปจึงเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่เราถึงจะกําจัดความทุกข์ได้เบื้องต้นได้คะ เ, เวลาไปหาหมอหมอบอกปเป็นเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยเราดูสิว่าใจเราสุขหรือทุกข์ถ้าใจเราสุขก็ไม่ก็ไม่ต้องทําอะไรแสดงว่าใจเราเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยง ใจเลยไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใจเราทุกข์ขึ้นมาไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอันนี้ก็หลงเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายมันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่เป็นใจผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะปล่อยให้ร่างกายตายได้อย่างสบาย คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติคะ่ะการตั้งจิตให้มีสติอยู่กับพุโทโธในขณะที่ไม่มีภาวะการเจ็บป่วยสามารถทําได้บ้างแต่พอจะไปทําผ่าตัด <c oughs> เกิดครับเกิดความกลัวมากจนควบคุมสติให้อยู่กับพุโทโธไม่ได้ต้องทําอย่างไรถึงจะตัดความกลัวนี้ได้คะก็ต้องทําบ่อยๆทําทั้งวันจเจริญพุโทโธทั้งวันตั้งแต่ตอนนี้ไป อ้นมันมีกําลังมากๆากพอเวลาเจอความทุกข์ก็สามารถใช้พุโทโธนี้ดับความทุกข์ใจได้แต่ถ้าไม่ซ้อมไม่ก่อนพอเจอความทุกข์ใจก็ไม่มีกําลังที่จะพุโทโธนั้นต้องฝึกพุโทโธมากๆากพุทธเจ้าสอนให้ฝึกทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าฝึกทั้งวันทั้งคืนได้เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็พุโทโธพุทโธไปห้านาทีความทุกข์ก็หายไปได้จิตก็สงบได้ หมดแล้วใช่ไหมยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ